พระไตรปิฎกเล่มที่สิบห้าเทวตาสังยุว 5, ตวัคที่ห้าอาทิตตวัคอาทิตตสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นของร้อนสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเมื่อปฐมมยามผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวันนะงดงามยิ่งนัก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 ย่อมถูกไฟไหม้ฉันใดโลกถูกชราและมรณะเผาแล้วก็ฉันนั้นควร น, นําออกด้วยการให้ทานเพราะทานที่บุคคลให้แล้วชื่อว่านาออกดีแล้วทานที่บุคคลให้แล้วนั้นย่อมมีผลคือความสุขที่ยังมีได้ให้ย่อมไม่มีผลอย่างนั้นโจรยังปล้นเอาไปได้ พระราชายังริ์เอาไปได้ไฟยังไม่ได้หรือสูญหายไปได้อันหนึ่งบุคคลจำต้องละร่างกายพร้อมด้วยสิ่งของเครื่องอาศัยเพราะการตายจากไปผู้มีปัญญารู้ชัดดังนี้แล้วควใชัยสอยและให้ทานครั้นให้ทานและชัยสอยตามสงวรแล้วจะไม่ถูกติเตียน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 ชื่อว่าให้ความสุขให้อะไรชื่อว่าให้จักสุขและใครชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างขอพระองค์ได้โปรดตรัสบอกแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาตรัสตอบว่าบุคคลให้ข้าวชื่อว่าให้กำลังให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุข ให้ประทีปชื่อว่าให้จักษุและผู้ให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างส่วนผู้ที่พร่ำสอนธรรมะชื่อว่าให้อมะตะตัดอ น, นะสูตรว่าด้วยข้าวเทวดากล่าวว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งสองพวกนั้น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 มีหมนทินสามประการมีเครื่องลาดห้าประการเป็นทะเลหมุนไปได้ทั้งสิบสองด้านฤาษีข้ามพ้นได้แล้วบุคคลมีรากอันเดียวหมายถึงอวิชชามีวนเวียนสองอย่างคือสัตสตาทิฏฐิและอุเชธาทิฏฐิคือความเชื่อว่าหลังตายแล้วมีชีวิตเที่ยงยั่งยืน กับหลังตายแล้วศูนย์มีมวลทินสมประการหมายถึงราคะโทสะโมหะมีเครื่องลาดหประการหมายถึงการมคุณหคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพภะเป็นทะเลหมุนไปได้ทั้ง12ด้านหมายถึงหมุนไปในอายตนะสิบสอง ฤสีข้ามพ้นแล้วข้อนี้หมายถึงผู้ประพฤติ ธ, ธรรมบรรลุธรรมบรรลุนิพพานแล้วอนโนมีสูตรว่าด้วยพระนามไม่ต่ำต้อยเทวดากล่าวว่าเชิญท่านทั้งหลายดูพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระนามไม่ต่ำต้อยหมายถึงพระนามไม่บกพร่อง คือมีพระนามบริบูรณ์พรัประกอบด้วยคุณเชิญท่านทั้งหลายดูพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระนามไม่ต่ำต้อยทรงเห็นประโยชน์อันละเอียดอ่อนให้ซึ่งปัญญาไม่ทรงคล้องอยู่ในอะไรคือกามตรัสรู้ธรรมะทุกอย่างมีพระปรีชาดำเนินไปในทางอันประเสริฐทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ อัชราสูตรว่าด้วยนางอักษรเทวดาทูลถามว่าราวป่าหน้าหลงไหลกึกล้องไปด้วยหมู่นางอักษรเป็นป่าที่หมู่ปีศาจอาศัยอยู่จะออกไปได้อย่างไรพระผู้มีพระภาตรัสตอบว่าทางนั้นชื่อว่าเป็นทางตรงทิศนั้นชื่อว่าไม่มีภัยรถ ชื่อว่าไม่มีเสียงดังประกอบด้วยล้อคือธรรมะอิริความละอายในบาปเป็นฝาประทุนของรถนั้นสติเป็นเกราะกั้นของรถนั้นเรากล่าวธรรมะมีสัมมาทิฏฐินำหน้าว่าเป็นนายสารถียานชนิดนี้มีอยู่แก่ผู้ใดจะเป็นสตรีหรือบูรุษก็ตาม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 ยอมไปสู่สวรรค์อย่างแน่นอนเจตวนสูตรว่าด้วยพระเจตวรรวิหารอนาถาบินธิกะเท พ, พบุตรได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าพระเจตวรร น, นี้นั้นมีหมู่ฤาษีคือเหล่าภิกษุพำนักอยู่ พระผู้เป็นธรรมราชาก็ประทับอยู่เป็นสถานที่ให้เกิดปิติแก่ข้าพระองค์การงานหนึ่งวิชาหนึ่งธรรมะหนึ่งศีลหนึ่งชีวิตอันสูงสุดหนึ่งสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยธรรมะห้าประการนี้หาใช่บริสุทธิ์ด้วยโคดคือสกุลหรือด้วยทรัพไม่เพราะเหตุนั่นแล คนฉลาดเมื่อเห็นประโยชน์ตนควรเลือกเฟ้นธรรมะโดยแยบคายเถิดเพราะเมื่อเลือกเป็นเช่นนี้ย่อมหมวดจดได้ในธรรมะเหล่านั้นพระสารีบุตรเท่านั้นเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าภิกษุผู้ถึงฟังด้วยปัญญาศีลและความสงบสำหรับธรรมะห้าประการที่ท่านอนาถบิณฑิกะเทพระบุตรกล่าวไว้นั้น การงานหมายถึงมรคเจตนาวิชาหมายถึงมรคปัญญาธรรมะหมายถึงธรรมะที่เป็นฝลายแห่งสมาธิศีลเป็นชีวิตอันสูงสุดหมายถึงชีวิตของผู้ดํารงอยู่ในศีลเป็นสิ่งสูงสุดอีกนัยยะหนึ่งวิชาหมายถึงทิฏฐิและสังกัปปะธรรมะหมายถึงวายามะสมาธิและสติ ศีลหมายถึงว่าจารกรรมมันตะชีวิตอันสูงสุดหมายถึงชีวิตของผู้ดารงอยู่ในศีลนั้นเป็นชีวิตอันสูงสุดมัชฌริยสูตรว่าด้วยคนตรณีเทวดาทูลถามว่าคนเหล่าใดในโลกนี้เป็นคนตรณีเหนียวแน่น บริพาทผู้อื่นทำอันตรายแก่คนเหล่าอื่นผู้ให้อยู่วิบากของคนเหล่านั้นและพบน่าจะเป็นเช่นไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าคนเหล่าใดในโลกนี้เป็นคนตรนีเหนียวแน่นบริพาทผู้อื่นทำอันตรายแก่คนเหล่าอื่นผู้ให้อยู่ก็คือคนที่ทำทานคนไม่ตรนี คนเหล่านั้นบริพาดผู้อื่นทำอันตรายแก่คนเหล่าอื่นผู้ให้อยู่คนเหล่านั้นย่อมบังเกิดในนรกกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานหรือย ม, มโลกถ้าพวกเขามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดในตระกูลคนยากจนซึ่งจะหาท่อนผ้าอาหารความยินดีและความสนุกสนานได้ยากคนพานเหล่านั้นต้องการสิ่งใดจากผู้อื่น พวกเขายอมไม่ได้แม่สิ่งนั้นนั่นเป็นวิบากในพบนี้และพบหน้าก็ยังเป็นทุกติอีกด้วยเทวดาทูลถามว่าข้อนี้ข้าพระองค์เข้าใจอย่างนี้ข้าแต่พระโอดมข้าพระองค์ขอทูลถามข้ออื่นคนเหล่าใดในโลกนี้ได้ความเป็นมนุษย์แล้วรู้เจรจาปราศัยปราศจากความตรนี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 เหมือนเทวดาชั้นปรนิมิตาสวตัตีนั่นเป็นวิบากในภพนี้ทั้งภพหน้าก็เป็นสุคติอีกด้วยคติการสูตรว่าด้วยคติการะเทพบุตรคติการะเทพบุตรกราบทูลว่าภิกษุเจ็ดรูป ผู้บังเกิดในพรหมโลกชั้นอวิหาเป็นผู้หลุดพ้นสินราคะและโทสะแล้วข้ามพ้นตันหาที่ร้านไปในโลกได้เระาผู้มีประภาตรัสถามว่าภิกษุเหล่านั้นคือใครบ้างได้ข้ามพ้นเปลือกตมคือบ่วงความตายที่ไกลๆข้ามได้แสนยากละทิ้งกายมนุษย์คือสังโยตเบื้องต่ำห้าประการและก้าวล่วงโยคะอันเป็นทิพย์ คือสังโยชน์เบื้องสูงห้าประการนี้ได้คติการะเทพบุตรตอบว่าภิกษุสามรูปเหล่านี้คือท่านอุปกะท่านพละคันทะและท่านปุกุสาติภิกษุอีกสี่รูปคือท่านพัทธิยะท่านขันทเทวะท่านพระอุทันตีและท่านสิงคียะภิกษุเหล่านั้นละทิ้งกายมนุษย์แล้ว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 ผู้นั้นมิใช่ใครอื่นนอกจากพระผู้มีพระภาคท่านเหล่านั้นรู้ธรรมะเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งนามรูปแล้วจึงตัดเครื่องผูกคือพบได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าท่านกล่าววาจาลึกซึ้งที่รู้ได้ยากเข้าใจให้ดีได้ยากท่านรู้ธรรมะของใครจึงกล่าววาจาเช่นนี้ได้คติกาวรเทพบุตรทูลตอบว่า เมื่อก่อนข้าพระองค์เป็นช่างหม้อปั้นหม้ออยู่ในแคว้นเวพลิงคะเป็นผู้เลี้ยงดูมารดาและบิดาเป็นอุบาสกของพระกัสสปะพุทธเจ้าเว้นขาดจากเมถุนธรรมประพฤติปรมจันยร์ไม่มีอามิตรได้เคยเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันกับพระองค์ทั้งเคยเป็นสหายของพระองค์ในการก่อน ข้าพระองค์รู้จักภิกษุเจ็ดรูปเหล่านี้ผู้หลุดพ้นแล้วสินราคะและโทสะแล้วคามพ้นตัณหาที่ร้านไปในโลกได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่านายช่างมอจริงอย่างที่ท่านพูดนั่นแหละเมื่อก่อนนั้นท่านเคยเป็นช่างมอปันนมออยู่ในแคว้นเวพลิงคาเป็นผู้เลี้ยงดูมารดาและบิดาเป็นอุบาสกของพระกสปะพุทธเจ้า เว้นขาดจากเมตุนธรรมประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีอามิตรได้เคยเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันกับเราทั้งเคยเป็นสหายของเราในการกรนพระสังกิติกาจาร์กล่าวว่าสหายเก่าทั้งสองผู้เคยอบรมตนมาแล้วเหลือไว้แต่ร่างกายในชาติสุดท้ายได้มาพบกันด้วยอาการอย่างนี้ เทวตาสั่งยุตจบวัคที่5าอาทิตตวัฏ